ออยากความอยากอาหารเราควรตามใจระดับไหนไม่ตามใจระดับไหนที่ถือ ว, ว่าเป็นสายกลางนี่ยความอยากอาหารอาเราควรตามใจระดับไหนไม่ตามใจระดับไหนคือชื่อว่าความอยากเนี่ยมันมันไปสองข้างแล้วนะมันหา ความพอดีหรือสายกลางไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้ทานอาหารด้วยความไม่อยากได้ไหมเคี้ยวไปตามหน้าที่คือไม่เสพในรสอาหารแต่เคี่ยวไปเมื่อวานนี้ผมทานข้าวเหนียวผมเมาข้าวเหนียววันนี้คอข้าวเหนียวมาอีกผมเลยไม่ฉันเชาวเลยฉันได้ผลออกไม้ก็ไม่หิวนะอ่าก็ไม่หิวตอนอ่าเพลนก็ัะมีกล้วยสักใบหนึ่งอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันถึงหิวหรือห่วยบ้างเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหานะเพราะเรารู้ปัญหามันอยู่อาการเป็นอย่างนี้เองเมันก็มีเวทนาให้เห็นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นขึ้นเชื่อว่าความอยากอาหารเนี่ยคนตัดออกไปเลยให้ทานด้วยความไม่อยากเนี่ยจะทำํำพอพอทานด้วยความไม่อยากปั๊บเนี่ยมันจะเป็นกลางทันทีเลยนะเพราะว่าความอยากขึ้นชื่อว่าความอยากมันไม่มีระดับนาถิตัณหาสมาทิ ขึ้นชื่อว่าตัณหาไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นเอาระดับแน่นอนไม่ได้ <c oughs> เพราะนั้นาทานะอาหารด้วยความไม่อยากก็คือนั่งดูอาหารสักพักหนึ่งแล้วก็ทานในสิ่งที่มันไม่อยไม่ไม่อร่อยอะ่ะอะไรสิ่งที่อร่อยเอาไปทานทีหลังนะเราก็ต้องทรมารกิเลตบ้างอย่าปล่อยให้กิเลตทรมารเราถ้ากเกเรตบังคับเราก็คืออาหารอะไรอร่อยถูกใจใส่นั้นก่อนเลย ไอ้ลึงอันไหนไม่อร่อยว่าทีหลังในแต่ผมจะทำใช่จนชินนะอันไหนไม่อร่อยทานก่อนผักผลไม้เคี้ยวลเล่นไปสักพักก็ค่อยทานอาหารพอทานอาหารที่มันอร่อยก็ทานมาได้เยอะแล้วทีเนี้เพราะอาหารอร่อยมายถึงว่ามันจะทําให้เสี่ยงต่อความอยากนะแล้วก็เสี่ยงต่อการง่วงด้วยเพราะฉะนั้น เว้แนแต่อาหารที่หลีกไม่ได้อย่างงี้ผมเจอข้าวเหนียวผมไม่มีข้าวหุงให้เลือกเนะอถ้าเจอข้าวตม้มก็ยันข้าตวต้มเนาะสบายกว่ายัีบอกว่าเอานี้เอาข้าวต้มมาแล้วกันไม่ต้องเอาข้ า, มมาวเหนียวกับข้าวหุงมาข้าวมันสบายกว่าฮะเ่เมาเลยมันไม่คุ้ ม, ม, <laughs> ม, มกันนะ่ะนะไม่คุ้มเพราะว่า อ, อ, อร่อยเพียงไม่ถึงชั่วโมงแต่นั่งงอแงก็แง่งทั้งวันไม่คุ้มงินเลย อันนี้ในในภาคปฏิบัตินะครับแต่ถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติเราก็เมาก็เมาก็นอนเมา อ, อาหารไปสามชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่ได้ไปอยู่ไรเหมือนกันนะทีนี้สำหรับอีกท่านหนึ่งว่าทุกครั้งสติเริ่มต่อเนื่องขึ้น่ะเหตุใดความง่วงยึดเข้ามาแทรก แสงได้ทุกครั้งเหมือนกันอ่าหัวโตเบื่ออเมื่อหายหายง่วงความคิดก็เข้ามาทุกครั้งได้เหมือนกันอ่าสติมันก็เลยไม่ตั้งมั่นสักทีจะต้องแก้ไขทําอย่างไรนะไปถามว่าความที่สติต่อเนื่องเนะี่ยเหตุใดความม่วงจึงมาถามไปวันก่อนวนะ่าความม่วงเกิดจากอะไร ความม่วงกิะอะไรอย่าลืมสูจน์ะนะความเง่อนเหตุของความง่วงคืออะไรคือเราเสพความเพลินใช่ไหมเสพความเพลินมันเสพตั้งแต่กินอาหารเพลิ น, น, น, นหรือว่าเสพอารมณ์เพลินอย่างนี้งงก็เป็นสาเหตุของความง่วงเพราะนั้นต้นเหตุมันว่าเราทำต่อเนื่องอ่ะมันต่อเนื่องแบบความรู้สึกตัวหรือต่อเนื่องแบบเพลิน ต้อรู้เลยนะความต่อเนื่องสาชั่วโมงก็เพลินไปสองชั่วโมงมันได้สติสักหนึ่งชั่วโมงก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นในความว่าต่อเนื่องนี่หมายถึงว่าจะต้องทําตัวให้ตื่นตัวอยู่เสมอมันถึงจะแก้ความง่วงได้ถ้าต่อเนื่องแบบไม่ต่อเนื่องแบบเพลินความง่วงต้องมาแน่นอนแต่ความง่วงพอมันแก้ไขได้หรือเบาลงความมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นความคิดนะความคิดก็เข้ามา เพราลักษณะอนี้สติของเราก็จะอ่อนมันก็ไม่ตั้งมั่นวิธีแก้ไขก็คือไปถอดถอนเหตุของมันเห็นว่าความสบายกายทําให้เกิดความยินดีความยินดีทํ า, าทให้เกิดความเพลิความเพลินก็ทําให้เกิดความง่วง่ะมันก็ไปลําดับของมันแล้วก็มาตั้งต้นที่ ไม่เสบความง่วงแก้ไขปลายเหตุมาต้นเหตุไม่ได้ไม่ทันแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วเพื้นแต่มันมาตั้งต้นระวังใหม่นะรู้ว่าอ๋องเพราะเมื่อกีเ้เราเพลินไปหน่อยหนึ่งก็ระมัดระวังครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องของง่วงนะนี้ต่อมาผมจะไม่เอ่ยชื่อนะฮะ เดี๋ยวเจ้าของปัญหาจะตีอารมณ์เว้นแต่จำเป็นเว้นแต่จำเป็นนะครับ อ, อยากให้ช่วยอธิบายเรื่องรูปนามและนามรูปผมยังไม่เข้าใจชัดแจ่มชัดนะเมื่อวานดังได้บอกแล้วว่ารูปนามคือความรู้สึกตัวที่ ท, ที่เรียกว่าเวทนานะครับ เพระมีสมระดับความรู้สึกเวทนาทาง ก, า, งกายรู้สึกความสบายไม่สบายและความไม่ชัดอันนี้เวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนาทางจิตก็คือความยินดีความพอใจไม่พอใจแล้วก็ความไม่ไม่ชัดเจนเหมือนกั น, ห, กนหรือความไม่แน่ใจอันนี้เป็นเวทนาในรูปนามแต่เวทนาในรูปนามมักจะหมายถึงอาการทางรูป อ่าเช่นความอ่ารู้สึกเย็นแลออ้วนอนแข็งเคร่งตึงอ่าของกายในะรู้สึกสบายไม่สบายของกายนี่เขาเรียกว่าเป็นอ่ายู่นามให้ดูตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเป็นอาการเย็นแลออ้วนอนแข็งเคร่งตึงข้องเวทนามันก็จะปรากฏเป็นนามรูปเกิดขึ้นคือความพอใจและไม่พอใจอันนี้เป็นนามมารูปนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรารู้อาการเย็ยนแล้วนแข็งเคร่งตึงโดยที่ไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปเป็นกับอาการทางกายนั้นนามมรูปก็ไม่ปรากฏะแต่ว่าเราเผลอเข้าไปเป็นเช่าหรือ Yas, ไม่เช่าอาการหนักเบาที่ปรากฏนั้นนามมรูปก็ปรากฏเพราะฉะนั้นรูปนามหมายถึงอาการของทางกายนามมรู ป, ป, รมรปหมายถึงอาการของรูปที่เกิดทางจิตรูปที่เกิดทางกายไม่ได้หมายถึงธาตุนะเมื่อวานกล่าวไปแล้วว่าธาตุกับ รูปประทาดกับรูปประขันนี่ต่างกันรูปประทาดได้แก่ท่าสี่ดิน้ำรวมไฟแต่ถ้ารูปประขันเนี่ยหมายถึงรูปที่เรานึกหรือรู้สึกขึ้นมาในเป็นอาการ mm hmm. เช่นว่นนึกถึงบ้านนึกถึงอาหารนึกถึงเพื่อนนึกถึงเวลามันมีอาการหิวก็นึกถึงอาหารเวลามันอาการง่วงนอนก็นึกถึงที่นอนเนีย่ยลักษณะนี้เป็นนามารป ซึ่งก็จะต่างก็เป็นสมูเป็นสมูทัยน้ำรูปนี้เป็นสมูทัยนะครับแต่รูปน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นสมุทัยแต่มันเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นแค่บำบัดมันเย็นเกินไปก็หาผ้าห่มร้อนเกินไปก็หาน้ํามาอาบหรือไปอยู่ที่ล่มซะอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันแข็งมันตึงยังไงก็ผ่อนเปลี่ยนอเดียบทมันก็หายละเพราะฉะนั้นเวทนาในรูปน้ำเนี่ยแค่เปลี่ยนเดียวปรับเปลี่ยนไอเียบทบ่อยๆ มันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นนมามรูปนะครับแต่ถ้าเราไม่ขยันปรับเปลี่ยนบ่อยๆไอความรู้ในอาการของรูปนามมันก็จะเปลี่ยนเป็นนามรูปคือออกมาเป็นความรู้สึกและเป็นความคิดลักษณะ น, นี้ก็จะแก้ยากขึ้นนะครับการสร้างจัหวะต่างกันยังไยกับการนั่งสมาธิหาอันนี้แสดงว่าเป็นคนใหม่นะครับการสร้างจหวะเรามุ่งความตื่นรู้แก่การตั้งทาสมาธิมุ่งที่ความสงบ แต่ในการสร้างจังหวะเนี่ยมันเป็นสมาธิและเป็นปัญญาในตัวเพราะสร้างจังหวะให้ถูกต้องแล้วก็คือการกำหนดรู้ในการยกแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสติพอจะรู้ตัวนี้ขยายไปสู่เวทนาและจิตเรารู้อาการของกายและของจิตในเวลาเดียวกันเช่นอาการของกายรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเห็นอาการของจิตว่ามันคิดหรือไม่คิดตัวนี้เป็นปัญญา เห็นในาาการรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็มั่นคงเป็นสมาธิเพราะนั้นการสร้างจักรวาทางให้ถูกแล้วมันเกิดสมัมปชัญญะสมาธิและปัญญาแต่นั่งสมาธิที่ว่านี้คงจะเป็นนั่งหลับตาโดยวิธีใดพี่หนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราสงบนิ่งหรือไม่ก็ง่วงหรือไม่ก็เลื่อนลอยตัวนี้ก็จะเป็นโมหะแต่ถ้านั่งถ้าได้สติสัมปชญญะเข้าไปมันก็สงบนิ่งเข้าฌานชานุนชนีได้ นะแต่ว่ามันก็จะจิตก็จะไม่เร็วไม่ทันของอาการของใจเมื่อใจเกิดคิดนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราไปนั่งสงบเราก็คอยสะกดจิตไม่ให้มันคิดอันนี้ก็เป็นสมถะนะครับแต่วิปัสสนานั้นเราหมายถึงว่าคุณจะทำแบบไหนก็ได้จะนั่งสมาธิพุทธ โทรยุบเนอของเนอก็ได้แต่ว่าเมื่อมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นคุณต้องทันและแก้ไขมันออกได้ทันทีลักษณะนี้ก็นั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความชำนิชำนาญจริงๆโอกาสที่นั่งสมาธิเนี่ยมันจะง่ายต่อการเกิดนิวรณ์และง่ายการเกิดปิติคองสงบมันก็จะเป็นสมถะแต่สร้าง จังหวะเนี่ยมันขั้นตอนไปสู่วิปัสนาโดยที่ไม่ไม่มุ่งสมาธิไม่มุ่งจิตสงบครับแต่มุ่งแต่การตื่นรู้และเท่าทันในวิธีการสร้างจังหวะนีครับเราต้องรู้เมนคอนเซปต์นะครับอันนียจึงเข้าใจได้อันที่สามถ้าปฏิบัติแบบสัญญายานไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดปัญญายานได้ไหม มันก็สลับกันปฏิบัติไปบางครั้งรู้ตัวมันก็เป็นปัญญายาณไปไม่รู้ตัวมันก็เป็นสัญชาติญาณไปเมื่อหักลบกลบเกินกันแล้วเนี่ยสมมติว่าเราสร้างขีหวาไปร้อยครั้งเนี่ยรู้ตัวสักห้าสิบครั้งไม่รู้ตัวใช้ห้าสิบครั้งเหลือเท่าไหร่ครับไม่รู้ตัวใช้ห้าสิบครั้งรู้ตัวใช้ห0สิบครั้งเหลือเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลขศูนย์ครับเ <laughs> ท่าเท่าตัว แต่ถ้าหักในร้อยครั้งเร า, ารู้สึกตัวสักหกสิบครั้งแต่ไม่รู้สึกตัวซะสี่สิบครั้งเหลือเท่าไหร่ครับได้สิบแค่ น, นั้นเองเห็นไหมมันไอ้ไอ้ที่นั่นมันก็ไปหักลบปลุอัออกมาเพราะฉนั้นเราอย่าลืมว่าเราสร้างเยอะเนี่ยเวลหาหักลบปกอันออกแล้วเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องใส่ใจให้ให้ให้มากๆไว้เวลาทําไม่ใช่ทําไปโดยใส่ใจบ้างไว้ใส่ใจบ้างมันก็จะทําให้เราเหลือไม่มากซึ่งจะต้องใช้เวลานานเวลาเยอะกว่าจะเข้าใจอะไรแต่อย่างนานแต่คนที่ใส่ใจตั้งใจจริงๆเนี่ยเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เรายังเอ๊ะรูปนามก็ยังสงสัยนามรูปก็ยังสงสัยอยู่ไม่ชัดเจนนี่มันช้าอย่างนี้นะครับที่เราไม่คํานวณในการปฏิบัติว่าในสร้างจังหวะ หนึ่งร้อยชุดเนี่ยเราจะให้มันชัดสักกี่ชุดอย่างน้อยต้องให้สักเจ็ดสิบไว้ก่อนนะก็ปลอดภัยเจ็ดสิบสามสิบไว้ก่อนอถ้าเจ็ดสิบสามสิบอย่างน้อยก็คือเราได้ละหักกันแล้วเราก็ยังได้อยู่เท่าไหร่นะมันก็ยังเหลืออีกสี่สิบอะใช่ไมไ้ทั้งสี่สิบก็เกือบเกินครึ่งแล้วถ้าจะให้ดีมันต้องแปดสิบยี่สิบเฮยรอย่างน้อยก็เหลือห้าสิบนฮะ ครับอันนี้ไปพิจารณาเองนะครับว่าเราต้องเราต้องคํานวณออกมาเป็นรูปธรรมอย่างนั้นนะมันงั้นมันเข้าใจไม่ได้นะมันมั่วง่ายนะทําอย่างไรจึงจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นปัญญาทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นปัญญาอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันแก้ได้เป็นปัญญานะครับเวลาง่วงเนี่ยแก้ตกไหม ถ้าแก่ตกเร็วก็ปัญญาดีถ้าแก่ตกช้าก็ปัญญาช้าเวลาฟุ้งสั้นก็รู้ว่าเป็นนิวรนแก้ไขตกเร็วปัญญาก็ไวถ้าแก้ไขตกช้าปัญญาก็ช้าขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเกิดปัญหาเราแก้ปัญหาในแบบมันเปลี่ยนเป็นปัญญาแต่ถ้าไม่เกิดปัญหาก็เป็นสติสมรยะเป็นสมาธิธรรมดาเนี่ะเตรียมสแสดบายเอาไว้เพื่อเกิดปัญหาเพราะตัวชีวิตนี่คือตัวปัญหา ปัญหาเกิดจากัจรักนะครับแต่การทำงานของมันตลอดเวลาเพราะนั้นเรารู้ว่าใจรักมันก่อให้เกิดปัญหาทางกายก็แก้ทางกายปัญญาระดับกายก็เกิดขึ้นเราตามไม่ทันใจรักเกิดปัญหาทางจิตเป็นนามรูปแก้ปัญหาทางจิตตัวปัญญาทางด้านนามเกิดขึ้นนะครับปัญญาเกิดได้ถึงสองระดับปัญญาอันเกิดจากการตามรูปรูปนามก็เป็นปัญญาระดับ สมรรถพอปัญญาไปตามรู้นำรูปคือความคิดแก้ไขปัญหาความคิดและวฟุ้งสัานได้เป็นปัญญาระดับวิปัสนานะครับปัญญาสองระดับเรียกว่าโลคิยะปัญญาแล้ก็โลกุตระปัญญาเข้าใจนะครับเจ้าของปัญหาห้าปัญญาทางความคิดกับปัญญาทางการปฏิบัติต่างกันยางไงโออันนี้ก็ ปัญญายทางความคิดเรียว่าจินตามญยาปัญญาใช่ไหมปัญญายทางปฏิบัติเรียกว่าภาวนาเ ม, มียปัญญาก็ต่างกันอยู่แล้วนะปัญญ <c oughs> ายทางความคิดเนี่ยยังเป็นโลกียาปัญญาอยู่แต่ปัญญาทางปฏิบัติเนี่ยถ้าทําถูกมันก็จะเป็นโลกุตรปัญญาได้มันต่างกันตรงนั้นปัญญายทางความคิดอาจจะเป็นสมถะอยู่แต่ปัญญาทางปฏิบัติอาจจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาขึ้นอยู่ว่าเราทํากับปัญหาที่เกิดกับกายหรือกับใจเพราะว่าปฏิบัติยังเป็นกลางอยู่นะครับ เขาเจตการปฏิบัติแบบนี้ใช้การเจริญเมตตาเจโตมุตด้วยหรือเปล่าอ๋ออันนี้ถ้าหากว่าเราทํามีพื้นสมถะก็ทําเจโตวิมุตแผเม แ, แผ่เมตตาแบบคูบาทางเหนือนะท่านแผ่เมตตาใช้เจโตวิมุตแผ่เมตตาก็เป็นสมถะนะแต่วิปัสสนานี่วิธีการแบบนี้หมายถึงการเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่นิยมใช้เมตตาเจโตวิมุตแต่เราใช้ปัญญาวิมุตินะครับ คื่แก้ไขปัญหาเลยก็เป็นปัญญาเลยไม่ต้องกดทับปัญหาไม่ต้องกดค่มปัญหาไม่ต้องหลีกเลี่ยงปัญหาไอ้กดทับกดขม่มแล้วก็แปลงปัญหาเป็นเรื่องของความคิดในทางดีเลือกี่บวกเนี่ยมันก็เป็นไม่ตาเจตุลมุนเหมือนกันแต่เป็นสมถะ h a อ่าเชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นวิปัสนาได้หรือไม่ใ น, นกัลยาณิเหตุปัจจัยนะครับอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เสมอไปบางคนก็เปลี่ยนได้ แปดทำไมต้องมีนิวรณ์ครับเวลาปฏิบัติตอนไม่ปฏิบัติมันไม่ค่อยปีเลยฮนะถ้าปฏิบัติไม่มีนิวรณ <c oughs> ์ถ้าคุณนั่งอยู่บนฝั่งเฉยๆเนี่ยไม่ต้องว่ายน้ําคุณจะเหนื่อยไหมเออถ้าคุณเดินเฉยๆเพาคุณไม่วิ่งเนี่ยคุณจะเหนื่อยไหมทุกคุณเดินพื้นราบเฉยๆแล้วคุณมาเดินขึ้นเขานะ่าจะเหนื่อยไหมอันนี้คนเรียกการปฏิบัติเป็นการทนกระแสครับการทนกระแสเ ป, เป็นการใช้พลัง ไม่ใช้พลังแล้วมันก็จะต้องมีอุปสรรคอุปสรรคก็คือนิวรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลงมือทํางานก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรนอนเฉยๆแต่ไปลงมือทํางานแล้วก็คือปัญหาละเพราะว่ามันต้องได้ใช้พลังเพราะตัวปัญหาคือตัวพลังตัวพลังงานนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวปัญหาให้เป็นปัญญาได้พลังความร้อนก็จะกลายเป็นพลังแสงสว่าง นะเพราะนั้นตัวปัญหาคือความพุกเป็นพลังงานชนิดหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนตัวพลังงานชนิดได้ให้เป็นแสงสว่างมันก็สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาได้ับเพะฉะนนไม่ต้องกลัวมันเราปฏิบัติก็เพื่อที่จะแปลงปัญหาหเป็นปัญญานั่นเองถ้าเราไม่ต้องการปัญญาก็ไม่ต้องไปต่อสู้ปัญหาอะไรครับนะอันนี้คือคาตอบนะครับอ๋อนี่ถามมาเยอะนี่เนะแต่คาถามที่ดีๆนะ เมื่อดูท่านหนึ่งถามว่าบุคคนผู้ละสังโยกได้เนี่ยเป็นพระรหันต์แต่ทศละสังโยกไม่ได้เป็นพระนาคามีนี่คําว่าสังโยกนี่นคืออะไรวิธีการละสังโยกเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะโห น, นี่ถามหลักปริยัตินะครับเพราะการปฏิบัติของท่านยังไม่ถึงแต่ว่าต้องถามลูกหน้าไว้ก่อน อธิบายเข้าใจสังโยคแปลว่าเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยลัดเครื่องบีบคั้นนะครับ <c oughs> เป็นพระรหั์แต่ละสังโยคถ้าละสังโยคยังไม่ได้ยังพระโสดาบันละสังโยคได้สามตัวคืออะไรบ้างคือสกฤติทิฏฐิ <c oughs> วิชิกิจชาเ <c oughs> สียปรมากเพราะนั้นพระอนาคามีเนี่ย ละความถือเนื้อถือตัวได้ไม่ถือมัน่นโดยทิฏฐิไม่มีทิฏฐิมนะยอมกันก็ยอมได้ไม่ชอบที่จะไปเถียงใครเนะี่ยเป็นฝ่ายยอมมากกว่านะถ้าเป็นพระสุนทรบัณนะไม่นิยมการทุ่มเถียงไม่นิยมขัดแยง้งในพระสุนรบัณละได้อันที่สองพระสุนทรบัณ่์ไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นนรมรรไมพระสุนรบัณไม่สงสัย นะอันที่สามพระโสดาบันศีละพระตะประมาณคือทําความดีเพื่อความดีไม่ได้ความดีเพื่อ ย, ยึดว่าดีนะเมื่อทําดีไปแล้วเนใครมาว่าไม่ดีพระโสดาบันก็จะไม่โกรธเพราะเขาทําดีเพื่อความดีกับตัวเองไม่ได้ทําดีเพื่อจะอวดคนอื่นมีพระโสดาบันละได้ละสังโยคสามตัวนี้ได้นะทีนี้พอพระสะกิทาคามีเนี่ย ก็คือละสัญญอดละสัญญอดสามตัวนั้นได้แต่ว่าทำราคาโทสะโมหะให้เบาบางลงพระนามัมีเอพระสิกิตาครมีแต่ว่าราคาโทสะโมหะมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ติดอยู่ในใจนานเหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันยังยังละราคาโทสะโ ม, โมหะไม่ได้นะครับยังมีราคาโทสะโมหะอยู่ แต่ละความไม่ถือตัวละความไม่สงสัยในพระธนาตรายละความไม่ยึดกดดื้อถือดีอต่างๆเนี่ยไม่ยึดในความดีในสิ่งที่ตัวเองทําพราะนั่นนะแลต่ราคาโทสะโมหะยังมีอยู่พระสุตตะันแต่พระอภัสกิธาคามีเนี่ยราคาโทสะโมหะมีอยู่แต่มีนิดหน่อยไม่มากเขาว่าสกิงแปลว่าโกรธอ่าเดียวเดียว ราคามีแว บ, บมาก็เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปโทรศัมีแว บ, บเดี๋ยวก็หายไปไม่โกรธไม่รักไม่ชังเ่้าวันข้ า, ขาคืนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนน่ะมันมีไม่นานนี้ก็หายไปก็มีอยู่แต่มันก็หายเร็วนะครับโกรธง่ายหายเร็วลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พระอนาคามีเนี่ยตัดสังโยคห้าได้คือสามตัวข้างต้นแล้วก็ละตารมาราคาลปฏิฆะ ได้แต่เหลืออีกสังโอีสามตัวคือมณฑูตทัศวิชาคือพระอนาคามีเนี่ยยังถือตัวอยู่นะครับถ้าทำอะไรในสิ่งที่ใครมาทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อหน้าเนี่ยยังเข้าไปห้ามปลาล์มยังเข้าไปวิภาวิจาร์เข้าไปอบรมเขาได้ แต่ว่ามุ่งหวังให้ดีแต่ว่าทนอยู่เฉยๆไม่ได้ยังยังถือเรื่องดีเรื่องถูกเรื่องผิดไปหลักอยู่นะนี่พระนักธรรมีสองอุทัจจะยังฟุ้งซ่านในเรื่องของคนอื่นอยู่อยากจะช่วยคนนั้นอยากจะอ่อเกื้อหนุนคนนี้อยากจะทํางานให้คนนั้นอยากจะทําทช่วยเหลือคนนี้ก็จะฟุ้งในเรื่องดีนะพระนักธมีนะแล้วก็อวิชา ยังมีความหลงลืมอยู่บ้างในบางครั้งบางคราวอันนี้สังโยชน์สามตัวนี้พระอนาคามียังมีอยู่นะแต่พอเป็นพระอรหันเนี่ยละสังโยชน์ทั้งเบื้องบ น, บนเบื้องต่ำได้หมดนะครับละทั้งสักยาทิฏฐิวิธีขิจฉาสีลพัตามารและกามราคะปฏิฆะละกะละมณะอุท จ, จักอวิชชาได้ละราคะโทสัมโมหะได้นะครับ อันนี้ก็คือสังโยกนะอันนี้ตอบหลักวิชานะครับทางรัดไปแดนอมตะมีหรือเปล่าถ้ามีโปรชี้แจงแดนอมตะคือแดนอะไรเพราะว่าข้อสอข้อสามบอกพระนิพพานคืออะไรก็ถามว่าอมตะคืออะไรเพราะนั่นข้อสองข้อสามก็เป็นคําถามเดียวกันอคําว่าทางรัดเนี่ยไม่มีครับมีแต่ทางตรงครับ ทางลัดกับทางตรงเหมือนกันหรือต่างกันนิดหนึ่งฮะอ่าทางลัดกับทางตรงต่างกันหรือเหมือนกันทางลัดอาจจะไม่มีทางแต่เดินลัดไปแต่ทางตรงมันมีทางใช่ไหมรถไฟทางนี้ตรงกว่าแต่ลัดนี่อาจจะไม่ใช่ทางมันข้ามเขานี่ไปก็ได้ลัดไปเอไปเสืวมาตรคือทางไปสูป่นิพพานเนี่ยอะ มันมีอยู่แล้วแค่รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วสู่แดนอมตะแล้วแต่ว่ามันมีนิดๆสังสมมาเยอะๆพอรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็สัมผัสอมตะครั้งหนึ่งพอรู้สึกตัวชัดเจนสบายกายสบายใจครั้งหนึ่งก็สัมผัสนิพานครั้งหนึ่งสัมผัสไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความสําคัญของความรู้สึกชนิดนี้มากขึ้นแล้วเราก็าจะทําความรู้สึกตัวได้มากขึ้น เมื่อก่อนเราทําด้วยยังไม่เกิดปัญญาคือทําไปเรียกว่าทําทไปสัมผัสได้น้อยก็เลยยากอะ่ะแล้วก็บางครั้งก็เบื่อมไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขความสบายอย่างอื่นมากกว่าอา่เช่นว่าอ่าไปนั่งคุยกันเนี่ยกับมานั่งสร้างจังหวะแต่คนที่ยังไม่ยังไม่สัมผัสอมรมะเนี่ยชอบไปนั่งคุยกันมากกว่าชอบไปนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าดีกว่ามานั่งสร้างจังหวะหน่าเบือ่อ ลักษณะนี้เรียกว่ายังไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นอรรมาตาเป็นเรื่องสําคัญยังเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะแต่คนนึงเกิดมีความรักไข่ฝักใฝ่ในเรื่องของความรู้สึกตัวแม้มีการมีงานก็ไปทําอยู่แต่ทํำด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกทําอะไรโดยเธอมารู้สึกตัวรู้สึกเสียดายอ่านะก็ทําอยู่แต่ตั้งเจตนาที่ความรู้สึกตัวไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะเอาดีเอาเด่นกับงานที่ทํา งานที่ทำยังไงก็ได้เสร็จก็ได้ไม่เสร็จก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ขอให้รู้สึกตัวนี่เรียกว่าคนนั้นได้สัมผัสอมาตาะแล้วเพราะเห็นเรื่องความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้คือสัมผัสได้อีกท่านหนึ่งถามว่ารูปนาม ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปดูดูรูลูนี่เป็นนามใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ท่านบอกว่าเห็นสิ่งนี้เป็นธรรมดาก็มันก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเพราะเราไม่รู้จักมันมันจึงไม่ธรรมดาแต่ถ้าเห็นมันก็เป็นธรรมดาคือเห็นความเป็นธรรมดาคือเห็นความเป็นรูปทุสิ่งทุอย่างเป็นรูปเป็นนามนี่เรียกว่าเห็นธรรมดาแล้วถ้าเห็น แล้วไม่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยเห็นอันนี้เป็นหนังสือของใครหนังสือของผมอ่าอันนี้เป็นผ้าของใครผ้าของผมงนี้มันไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันก็ให้ความสําคัญมันมาอยู่ผ้านี้มันก็จะมีค่าอลไรใช่ไหมของผมผ้าเดียวของคุณเอาผมว่าพูดเราจีวรผมไปทําไมอ่ะอ๋อมันเป็นรูปเป็นนามก็เอาไปเถอไม่ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามเอออย่างนี้ก็ธรรมดาละอ๋ออันนี้ย่ามผมเนี่ย อ๋อเป็นลูปเป็นนามเอาไปเจอครับของในงั้นก็ผมถวายทานกันแล้วกันเป็นธรรมดาทําได้หรอย่าง <laughs> มันเป็นรูปเป็นนามมัไม่ใช่ผมถ้าเขาจะทําอะไรพูดอะไรมากระทบหน่อยอ๋อมันเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าเรานะเขาว่ารูปว่านนามเฉยๆก็เฉยๆครับนี่ก็เห็นเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดานะ ปัญญาสามระดับกับสินสามระดับหมายถึงอะไรคำว่าประม่าประมัดที่ไม่มีสรูนะครับแปลว่าอะไรปัญญาสามระดับทุกคนจำได้ใช่ไหมครับแต่สินสามระดับคืออะไระจุลศิลมชิมะสินมหา<ร>สินยังง น, นรหรอืหร อ, รอเปล่าเพราะคาว่าสินสามระดับคือ ศีลที่เป็นโลกี้ะที่ผมเอ่ยไรวันก่อนว่าศีลสามสี 3, 4, ป่ปริอาชีวะปริสุทธิศสินสี่นะครับศินที่ถือเคร่งอันหนึ่งถือปันกลางอันหนึ่งแล้วก็ถือแบบหลงหลวงมาหนึ่งนี่คืออันสินามระดับคือศินที่ถือหลงหลวงแบบไม่เคร่งคัดนักหรือแบบกางกลางเคร่งคัดขึ้นมาหน่อยหนึ่ง คือเครื่องคัดอันนี้ศีลสามระดับในแง่ภาคปฏิบัติแต่อาชีวปริอาชีวปริชุธิศีลก็คืออย่างที่กล่าวแล้วว่าสํารวมที่ศีลหกสํารวมในคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็สํารวมในการเสด็จปัะใจศีแล้วก็ปรับความเพียรนี้เป็นศีลอาชีวประลิชุธศีลนะครับดังนั้นท่านคงจะหมายถึงว่าศีลระดับถือระดับเพลา ระดับกลางและระดับเพ่งครัดสามระดับเหมือนกันคําว่าประมัดแปลว่าอะไรประมัดแปลว่าความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติหมายความว่าเราไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมันมันจะรู้สึกตัวเขามันเองเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมามันไม่หลงลืมอะเวลาความคิดหรือความพุ่งแต่เกิดขึ้นก็กลับมาความมากลับมาที่รู้สึกตัว แต่ไม่ได้ไปลบหลาอะไรก็ความคิดนะนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้พรมัดเวลาความคิดหรืออะไรเกิดขึ้นก็ไปไปโลบลาไปบี้ไปกดไปเบียดไปดันมันออกไปแต่สําหรับคนรู้พรมัดแล้วเนี่ยอะไรมากระทบดีไม่ดีกลับมาสู่ความรู้สึกตัวพอมาสู่ความรู้สึกตัวปับ๊บไอ้สิ่งที่มากระทบมันก็หลุดไปเองแต่คนที่ยังไม่รู้จกักพรมัดเนื่องจากว่าไอความเป็นอัโตโนมัติของสติเนี่ยมันยังช้าอยู่ ก็ต้องอขืนปล่อยความคิดไปนานก็จะไม่มีเหลืออะไรก็ต้องได้ดันกันออกไปแต่สำหรับคนที่มีปรมัติแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้าที่มันชุ่มน้ำฝนไฟตกลงมาเนี่ยไม่ต้องไปดับมันก็ดับเองนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ปรมัติเหมือนกับผ้าที่มันยังแห้งหรือชุ่มน้อยๆต้องสลัดไฟออกก่อนถึงขึ้นปล่อยตัว น, นั้นมันไหม้ผ้าล่ะ เหมือนกันถึงปล่อยความคิดลอยนวลไว้งั้นเดี๋ยวมันไม่ใจแน่นอนเลยเพราะว่ายังไม่มีปรมัติ์เข้าไปจัดการแต่พอรู้ปรมัติ์แล้วเนี่ยเอาทบทกทบไปดูใจดูกายให้ชัดๆมันก็ดับไปเองนะเพราะเกิดแล้วมันต้องดับอยู่แล้วครับอันนี้ปัญหาของท่านหนึ่ง้าถึงสองทุ่มเสร็จไม่เสร็จก็เสร็จนะครับอันนี้เจ้าเก่า แกปัญหาใหม่เมื่อวานในสิบสามข้อเลยนะท่านนี่นะวันนี้เหลือเท่าไรสั้นเข้ามาเหลือสองข้อเราตัดความคิดไม่ได้แต่ตัดปรุงแต่งได้ใช่ไหมครับเป๊ะเลยนะถูกต้องความคิดไม่ต้องไปตัดมันแต่ตัดเรื่องปรุงแต่งความคิดกับปรุงแต่งต่างกันไหมต่างกันไหมความคิดที่ไม่ปรุงแต่งก็มีเช่นคิดว่าวันนี้จะ อาหลับอย่างไรให้มันสนิทระวางแผนในการนอนมันต้องคิดนะครับเอวันนี้จะนอนอย่างไรแบบไม่ฝันเนี่ยหาวิธีการลักษณะวางแผนลักษณะทำให้มันตรงกับความเป็นจริงและได้ผลรู้ผลเนี่ยรู้วิธีการลักษณะนี้เรียกว่าเป็นปัญญาความคิดลักษณะนี้เป็นปัญญาคือหมายความว่าได้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงแต่ว่า ถ้าปรุงแต่งไปก่อนนะวันนี้อย่านอนแล้วจะนอนอยังไงนาะให้มันนอนหลับนี่เส็จแล้วไปนอนนอนอยังไงก็ไม่หลับอ่าจะทำไงให้มันหลับอันนี้ก็กลายเป็นความคิดหมดนะการวางความรู้สึกตัวอ่าระวางไว้ที่ทั่วร่างกายใช่ไหมใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ่ะนี่จะหาว่า ตัวรู้เข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งรู้เจตนารู้เข้าอีกทีหนึ่งนะเจตนาทําให้ใจมันปร่งโปรงโล่งโล่งใสใสเนี่ยได้ไหมคือหมายความพยายามนึกเอาอ่ะอันนี้ก็เป็นการนึกนะฮะเขาเราียกเป็นจินตนาการปรุงเหมือนกันยิ่สภาวะจริงๆ ร, ร่างกายอาจจะไม่โล่งไม่โปร่งไม่ใสยอย่างที่เราคิดหรอกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมนะเป็นนิจยางทุกขังหน้าตาแต่เราพยายามที่จะสร้าง จินตนาการขึ้นมาขอให้ร่างกายเนี่ยร่งโปร่งเบ า, าทั้งที่มันไม่ล่งไม่โปร่งไม่เบาเพวกกายนี่ก็มีเวทนาประจําอยู่นะครับอันนี้แล้วว่ามันมีความเป็นจริงใหญ่ก็รับมันอย่างนั้นมันไม่ได้อารมณ์ก็คือไม่ได้อารมณ์ก็รู้มันเท่านั้นเองมันได้อารมณ์ก็คือได้อารมณ์ก็รู้มันเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องจินตนาการทับซ้อนลงไปถ้าหาว่าจินตนาการทับซ้อนลงไปเป็นการสร้างความคิดซ้อนความคิดมันก็จะเป็นการสร้างมายาภาพขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นความเคยชินแล้วเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> ท่านนี้ถามลักษณะเป็นการเล่าให้ฟังนะว่ามีปัญหาเมื่อวานไหมวันนี้มีอะไรบ้าง วันนี้ถามว่าวันนี้ผมอาถามเพียงหนึ่งข้อนะอธิบายให้เข้าใจผมถามว่าสัสมผัสที่หกคืออะไรหลวงพ่อผมได้ยินเขาพูดกันบ่อยๆนะว่าคุณไม่มีสัมผัสที่หก เ, เลยไอ้ตรงนี้ว่าสัมผัสที่หกมันคือหมายถึงอะไรกันแน่สัมผัสที่ห้าคืออะไรครับท่านศักดิ์รู้จักสัมผัสที่ห้าไหม ไม่รู้อะไรจะรู้สัมผัสที่หกได้ไงก่อนที่จะรู้สัมผัสที่หกต้องรู้สัมผัสที่หนึ่งถึงทา่หกันสัมผัสที่หนึ่งคือตาสัมผัสกับรูปใช่ไหมหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายสัมผัสกับอะไรกายสัมผัสกับสัมผัสอ่าเย็นแล้วหนาแข็งเครื่งตึง แล้วก็ใจสัมผัสกับอะไรที่สัมผัสที่หกคือใจแต่ในความหมายที่นี่ท่านไม่ได้หมายถึงว่าที่ถามมาไม่ได้หมายถึงว่าใจไปสัมผัสกับอารมณ์แล้วมันเกิดเป็นเรื่องความคิดขึ้นมาท่านไม่ได้หมายถามถึงความหมายนี้แต่ท่านหมายถึงสัมผัสที่หกเมื่อสัมผัสแบบในรีวรนะ กดูสัมผัสที่หรู้อะไรบางอย่างพิเศษนะเป็นมิติพิเศษคือ เ, เพื่อนที่คนอื่นไม่รู้เช่นรู้ใจคนอื่นรู้ในอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคล้ายคล้ายหูทิพย์ตาทิพย์ผมมองหน้าคุณศักดิ์เนี่ยคุณศักด์ต้องมีอะไรเห็นในใจท่านศักดิ์แล้วทักได้รึงปลนะเป็นลักษณะหูทิพย์ตาทิพย์ เปนเป้าหมายคือลักษณะอภิญญาท่านรองนั้นนะเรียกว่าสัมผัสที่6ซึ่งในที่นี้เป็นเรื่องของคนที่เขาเอามาใช้เป็นภาษาสมมุตินะแต่ความจริงสัมผัสที่6มีทุกคนแหละแต่ว่าสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นสัมผัสที่บริสุทธิ์หมายถึงว่ามันไปรู้โดยที่ไม่ต้องอาศัยนึกคิดอ่ะมันเป็นของมันเองเรียกว่าสัมผัสบริสุทธิ์ เขาเรียกว่ายาณ น, นะครับเรีวปีชา ย, ายานอย่างรู้มีมีปีชายานอย่างรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไระพวกเช่นพวกหมอดูพวกส่งเจ้าลงุงองพวกมีองค์ทรงเจ้าพวกเนี้ยเขจะใช้สักวันตรงนี้ใช่ไ่าซึ่งมันก็เป็นกรณีพิเศษนะครับก็อย่าไปเล่นกับมันมากเพราะนี้เป็นเรื่องเฉพาะของใครของมันถ้าเราไม่มีคุณสมบัติทางจิตทางนี้เราไปพยายามสร้างขึ้นมามันก็ เป็นเรื่องมายานะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้ามัมนมี ม, มีจิตมีคุณสมบัติที่จะรู้มันก็มีของมันเองแหละเราเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับทั้งสมบัติที่หกนี่นะถามว่าถ้าเราฝึกสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราสามารถดูใจคนอื่นได้หรือไม่สามารถรู้อนาคตข้างหน้าได้หรือไม่มีลิดเดตหรือเปล่าโอ้โหอยากจะได้ลิดเดตเลยก็เนาะ มันก็คงจะเป็นข้อที่ที่ถามมาเมื่อกี้นะครับอ่าก็ไม่ต้องเอานะครับเอาแค่ดูใจตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องดูใจคนอื่นเน่ะอ่าถ้าดูใจตัวเองออกบอกใจตัวเองได้ใช้ตัวเองใจตัวเองเป็นเห็นใจตัวเองชัดก็จัดใจตัวเองได้ตามต้องการก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะในเรื่องไปเรื่องรู้อนาคตรู้อดีตรู้ฤทธิ์เดชปฏิหารนี่พุทธเจ้าท่านไม่นิยม ไม่เสนอเสืส่อเรื่องอาเทิสอาเทิส อ, อาเทิส อ, อุเทศปริหาร์หรืออิทิปริหารแต่ท่านสนอเสืส่อเรื่องอนุสาสนีปฏิหารนะครับมือหมายความว่าสามารถอธิบายในสิ่งนั้นให้เข้าใจตามลําดับปริหารแบบนี้แน่นอนกว่าพุริยาว่าท่านถึงใช้ อนุสาสนีปฏิหารหมายถึงอธิบายเรื่องใดให้เข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้สามารถชี้แจงเรื่องที่มันลึกให้มันตื่นได้สามารถชี้เรื่องที่ลึกลับให้มันเปิดเผยได้สามารถชี้ในสิ่งที่พิสดารให้มันง่ายได้นี่เ็าเรกอนุสาสนีปฏิหารผู้ที่อสศนฤส น, สนปฏิหารแบบนี้นะครับ แต่บริหารแบบไปรู้อะไรพิเศษผมบอกว่ามันบางทีมันเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะเข้าใจผิดได้เพราะคนมันมีความอยากอยู่แล้วบางทีรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้นี้หน่อยก็ไปพูดเอาว่ามันมากอย่างนี้นะครับมันเสี่ยงแต่ถ้าอนุสาสนีบริหารเนี่ยพูดกันให้ฟังใจจัดเลยอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอัน น, น, น, น, น, นี้เห็นภาพนะครับอันนี้ท่านยกย่องบริหารแบบนี้ ก็คงจะครบเวลาพอดีนะครับใกล้สองทุ่มแล้วธรรมวิจยยคืออะไรนะครับในเวทนาความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆต่างกับอุเบกขาสัมโพชงอย่างไรนะธรรมวิจยหูมันอธิบายไปบ่อยนะครับว่าเรามีสติสัมปชัญญะญที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปรู้รายละเอียดของกายเนี่ย โดยตัวมันเองว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้แล้ว่าตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยใส่ใจแต่พอเรามาเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดใส่ใจว่าหายใจเข้ามันเข้าไปถึงไหนหายใจออกมันออกไปอย่างไรอมันคันมันเจ็บร่างกายส่วนเนี้ยมันมาจากอะไรตามรู้หาต้นหาตอนไปเรื่อยๆเอ๊ะมันคิดมันคิดได้จากอะไรมันง่วงมันเกิดจากอะไร มันเบื่อเบ่อเกิดจะอะไรตามรู้อาการที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นธรรมวิจัยะหมายความว่ามันมีอาการจริงปรากฏแล้วเราได้ตามไอ้ตามรู้ถึงเหตุของมันที่ไปที่มาของมันเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าธรรมวิจัยเช่นว่าจู่ๆความคิดมันเกิดขึ้นเราก็ลองคิดใหม่ดูที่ว่าเมื่อกี้มันคิดเราไม่รู้ตัววันนี้เราคิดแบบรู้ตัวดูที่ว่าความคิดมันมันเข้ามาได้อย่างไรเนี่ยไอ้มีการทดสอบมีตั้งสมมุติฐานแล้วก็หาข้อมูลลักษณะอย่างเนี้ย เป็นธรรมวิจัยนะครับเวทนาทั้งสามความพอใจไม่พอใจเฉยๆเนี่ยต่างกับอุเบกขาสัมโพชฌงอย่างไรถ้าจะถามว่าความอุเปขาในเวทนากับอุเบกขาสัมโพชฌงต่างกันอย่างไรต้องถามอย่านี้ถูกนะครับผมได้กล่าวไปบ่อยๆว่าอุเปขาเวทนาเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกที่รู้แบบไม่รู้ตามภาษาเรารู้แบบซึ้บื้อนะรู้เฉยนะสันเฉย เฉยเเฉยแบบไม่รู้รู้มันอะไรเกิดขึ้นขเขาค่ยเฉยๆนะครับดูเมันเขาไ่กระโต๊ะก็ตักต ก, กับเพื่อนถ้าถามว่ารู้หรือเปล่าอะไรเกิดผมไม่รู้เขา <laughs> ขเขาเฉยไดนะ้แต่บางคนมันรู้มันเฉยไม่ได้ไอคนนี้รู้เฉยได้เขาเฉยนี่มันแหววความันรู้แจ้งแทงตลอดนะแต่ว่าเพราะไม่รู้นั่นเองจริงเฉยนี่กษณะนี้นอุปยกษาเวทนา ผู้ขายสัมผัสชงมันรู้มันเฉยครับเพราะมันรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันบอกได้ด้วยแต่มันไม่พูดมันเฉยเฉยนะแต่เมื่อเราไปถามมันถึงบอกบางคนนะบางคนรู้อะไรมันจะเกิดแต่ไม่พูดเพราะรู้ที่ไปที่มาพูดไปมันยังไม่ถึงเวลาพูดก็เฉยเอาไว้แต่ถึงเวลาพูดมันก็บอกได้ลักษณะนี้ก็เรียกผู้ขาสัมผพสชงยังรู้ความคิดเนี่ยรู้เฉยเฉยนะครับไม่เข้าไปในความคิด พอรู้ว่าความคิดมันเกิดแล้วมันต้องดับเองอย่าเข้าไปยุ่งกับมันทําไมใช่ไหมอย่าไปปรุงกับมันทําไมเพราะเดี๋ยวเกิดแล้วมันก็ต้องดับลักษณะรู้เหตุที่ไปที่มาอย่างแล้วเฉยเนี่ยลักษณะนี้เรียกวุปเลยขาดสามพุธชงนะความทุกข์ก็รู้มันเกิดขึ้นก็เฉยๆกับทุกข์นั้นเสียพอรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องดับพราะรู้ความเป็นไปเป็นมาของมันว่ามันไปตามกฎของมัน แต่การที่รู้แล้วไม่เฉยดัืงหางรู้เข้าไปยุ่งเข้าไปปรุงไปแต่งไปแยกไปแยไป่แยไปหาเรื่องอว่าจะแยกแ ย, กแยก่หาเรื่องที่จะดับจะเอามันออกเนี่ยนี่รู้แล้วไม่เฉยเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่เป็นอุเลยขาละนะมันยจะเป็นจิตแต่สังขารเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะครับอุปเลยขาสำมพชุงนี่คือรู้เฉยเฉยก็คือเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วก็ไม่ต้องไปไประจัดการอะไรกับมันเดี๋ยวมันจัดการตัวของมันเอง อย่างนี้เรียกเปรีขายสำเพอชมนะครับต้นเหตุการเกิดของเรามาจากจิตจิตอยากอยากทราบว่าจิตที่มันเริ่มแรกเกิดจากอะไรอ่าผมขอชายอย่างนี้หน่อยเสียงเกิดเสียงอย่างนี้มีไหมเมื่อกี้ไม่มีเช่ไเสียงเกิดเพราะอะไร ใช่ไหมมันเพิ่งเกิดอเพราะจิตมันเกิดจากการกระทบถ้าไม่มีการกระทบจิตเกิดไม่ได้เสียงละครั้งเนี่ยถ้าไม่ตีเนี่ยมันมีนะถ้าตีเมื่อไรมันเกิดนะถามว่าตอนละครั้งที่เราไม่ตีมันเนี่ยมีเสียงไหมไม่มีอถามว่าละครั้งนี่ดังไหมไม่ดังเพราะเราไม่ตีมันแต่ไปตีมันเมื่ได้มันดังนะฮะจิตนี่ก็เหมือนกันเกิดจากการกระทบเรียกว่ามโนวิญญาณหรือกิตตวิญญาณ อันนี้ก็เป็นคําถามน่าจะเป็นคําถามท้ายๆนะครับความง่วงแก้ไขโดยการเปลี่ยนท่านั่งถ้าเราจะไม่เปลี่ยนท่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะทะลุความง่วงไปได้อันนั้นก็คือต้องใช้ความอดทนนะครับคือใช้สมาธิขั้นสูงความจริงเวลาง่วงมาเราไม่เปลี่ยนก็ได้ตั้งใจดูอย่างนั้นแหล ะ, ะเดี๋ยวทันบ้างไม่ทันบ้างเดี๋ยวทันจนได้อ่ะนะ แต่สำหรับคนมีสมาธิสูงเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งบ่อยก็ได้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการค้อบงำอีกทีหนึง่งลักษณะนี้คนที่มีสมาธิสูงเท่านั้นจะทำได้คนที่มันซีอ่อนก็ทำไม่ได้ของมง่วงก็เร่นงานอยู่ดีคนที่มีจิตแข็งเกี่ยก็สามารถเผชิญหด้ากับมันได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ทำร้ายตัวเองนะมันก็ทาให้ตัวเองบาดเจ็บ แต่้ทําบ่อยๆเพราะมันคุ้นมันชินแล้วมันก็ผ่านได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีพลังจิตพอไหมที่จะสู้กับมันได้ก็ต้องประเมินกําลังของตัวเองก่อนว่าเราประเมินกําลังของตัวเองแล้วไม่ไหวก็อ่าอย่าเสียเวลากับมันถึงเหมือนนังมวยอะนะเรารู้ไอ้คนเนี้ยมันประเมินแล้วเนี่ยสู้ได้ก็ยอมเจ็บหน่อยแต่กว่าจะชนะก็ถูกเล่นงานหนักกว่าแต่รู้ประเมินแล้วไปสู้ไม่ไหวแล้วอะ ใช้เทคนิคอใช้วิธีการอันนี้ก็คือปัญหาท้ายๆนะครับหลวงตาลักษ์เสนอมานี่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะฉะนั้นนอกนอกประเด็นอนอกประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเห็นด็อกเตอร์เขียนภาษาเขียนได้เก่งอย่นด็อกเตอร์นี่มนด็อกเตอร์ไปอยู่วัดเลยไม่ดีจะได้สอนภาษาอังกฤษกับพระเนรนะได้ต้อง <laughs> ไปถามด็อกเตอร์องก็แล้วกันถ้าเกิดแก่สอนได้ก็ดีผมจะรับ สมัครพระเน้นไปเรียนภาษาอังกฤษกับดรได้ฮะหรืออ๋ได้ก็ต้องหาเงินเดือนให้แกนะทำกิจกรรมได้ก็อันนี้คือหมดเวลาพอดีนะครับก็นำเอาสิ่งนี้ไปพินิพิจาณาปัญหาทั้งหมดถามจากอารมณ์ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการสอบอารมณ์ในตัวแต่ว่าทุกคนท้องปลัวนั้นต้องเอาไปทำนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่เอาไปทําเพราะผมเคยเรียกว่ามันผมแน่นจมูกเพราะผมแพ้พัลมอ่ะพัลมโดนนั้นตั้งนานน่ะเป่าหัวว่ะ <laughs> ก็เวลาที่เหลือเราไปทําดูต่อเนื่องก่อนนอนสมัยผมปฏิบัติใหม่ๆผมชอบทําความเพียรก่อนนอนเพราะอะไรเพราะมันจะนอนได้ง่ายและหลับสนิทเพราะเมื่อก่อนพวกเรหลับยากแต่พอมาได้เคิดวิธีฝึกวิธีการนอนแล้วก็คือ หลับง่ายครับเพราะว่าเราจะรวมรวมอาณาปณะสติทั้งหมดไปทําเวลากลางคืนนอนหลับทำอานาปณะสติเลยตั้งสมาธิกําหนดรูๆๆหายใจเข้าออกสั้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆยาวอยู่นะกว่าจะได้กว่าจะหลับได้พอพอทําบ่อยเข้าทุกวันทุกวันมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าบางทีเข้ายังไม่ทันออกก็หลับไปแล้วน ะ, ะมันไวมากเพราะเกิดความเฉื่อนานก็เพราะฉะนั้น บางคนที่ปฏิบัติใหม่ๆนอนไม่หลับใหญ่แมนมารายงานบอกว่านอนไม่หลับเลยคืนนอนแค่สองชั่วโมงเองนอนวันนี้มันเรื่องง่วงว่ามันก็ตั้งใจเนาะตั้งใจทําดังนั้นก็อานาปนาสติกเอาไปทําตอนนอนกับตอนออกกาลังกายเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าไปทําในช่วงปฏิบัติก็ทําร่วมกับอาก า, อาการอื่นไปแต่ถ้าเฉพาะมันอย่างเดียวก็ไม่พอนหมายความว่าในช่วงที่เราเดินจงกรม สร้างนั่งสร้างจังหวะอะไรพวกนั้ถ้าหากว่ามันบางทีมันง่วงจิ๋วผมว่าหายจะเข้าโยกหายจะออกลงหายจะเข้าหาโยออกใช้แก้ปัญหาบางอย่างได้นะครับใช้ร่วมกันได้แต่ว่าจะใช้มันอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็สร้างจังหวะไปด้วยรู้การเคลื่อนไหวของมือนี่คือเป็นลมชนิดหนึ่ง เพราะนั้นเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ได้เอาลมหายใจเนี่ยแต่เราใช้ธาตุลมลมหายใจกับธาตุลมต่างกันยังไงหลมงตาลักแต่ว่าเราลมหายใจมันออกเช่ๆเฉพาะจมูกใช่ไหแต่ธาลมมันออกทั้งเนื้อทั้งตัวเลยราบตานี่เป็ น, นเป็นธาตุลมนะอ่อา่าเวลาพูดว่าใช้ธาตุลมเวลาจับอยู่ก็ น, กนเป็นธาตุลมเป็นอาการของธาตุลมนี่เรียกว่านี่ใชธาต เพราะนั้นเราไม่ใช้บอกว่าผมไม่ได้ใช้อานาปนาสติกับแต่ผมใช้ อ, าอาวาโ ย, าาายาธาอวาโยธาตกับมฐานก็คือจดูธาตุวัฐานใช่ไหมเราใช้ไม่ได้ใช้อานาปนาสติเพราะในกายานุปัสนาวหนึ่งอานาปนาสติสองยี 4, ่บุสี่สามบุย่อยสี่คือก็คือธาตุทั้งสี่ดีดับลมไฟใช่ไหมเนี่ยเราใช้ธาตุสี่ บอกว่าผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มชลมให้ใจแต่ผมใช้ท่านลมคือการเคลื่อนไหวครับไม่ผิดนะฮะแต่หาว่าเราตอบร้นไม่ได้นะมันเป็นภาษาเขามีอยู่แเอาที่ต่อยอ่ะก็นั่ก็ท่านลมให้เคลื่อนไหวอะ่ะเออลมแรงหน่อยใช่ไหมเออลมแรงหน่อย อ, อ่าเหมือนกับคุณจะดับไฟจาเปล่าค่อยๆไม่ดับใช่ไหมเพราะเป่ารแรงไฟมันก็ดับง่วงเหมือนกันนะคุณกรุบไหลกลุบไหลแรงไงเพราะสวัสดีภาษาบ้านว่าจิตของขอเราว่างก็หลง อแต่ถ้าง่วงหนักๆแล้วจบไายตูบหลังไม่ไม่หายก็เตะต้นไม้ได้ถ้าลมชนิดแรงน้อยรับรองหายแน่สลยซัดเต็มที่เลยนะมึงกูเตะมึงแน่เลยนะเตะต้นไม้พุ่งเข้าไปนี่ตื่นเลยว่ากันเลยใช่ทีขาดได้ดก็จบนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ ก็จะผมจะเอาไปตรวจเนื้อหาอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เฉพาะเฉลยปัญหาไปก่อนเพราะฉะนั้นผมจะส่งคืนก็พรุ่งนี้เย็นนะ mm hmm. นะครับก็ขอบับไาร่วมกันครับ